ก็เรื่องการที่พระพุทธเจ้าเนีนทรงแสดงธรรมในพระมสสังยุทธในพระมสสังยุทธ์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายต้องต้องทำความเข้าใจให้ดีเนมะื่อเราทําความเข้าใจค่อนข้างดีแล้วเนี่ยเราจะเห็นคุณของพระผู้มีพระภาตเจ้ามาก ฉะนั้นการเห็นคุณของพระผู้ธมีพระเจ้านั้นเท่ากับการที่เรานั้นได้ประกาศตนเองในการที่เข้าถึงธรรมของพระเจ้าได้โดยไม่ยากเท่าไหร่การที่สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยด้วยการที่ไม่เห็นคุณของพระผู้ธมีพระเจ้านั่นแหละจึงทําให้สัตว์เหล่านั้นเนี้ยไม่ได้ตัดสรู้ถามว่าเมื่อพระเจ้าเนี่ยได้ตัดสรู้นุตตะสัมมาสัมโพธิญาแล้วเนี่ยถามว่าพระเจ้านั้นทรงเคารพอะไร พระเจ้าชงในคารวะสูตรพระเจ้าทรงเคารพประทับก็คือในสูตรนี้ท่านบอกว่าข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพราคเจ้าประทับอยู่ที่ต้นอัชาปารานิโคตรพระที่ตรงเนี้ยแถฟังแม่น้ําในรัญชลาตําบลอุรุเวลาประเทศครั้งนั้นเน่ยความปริวิตกแห่งพระหฤทัยได้บังเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เสด็จเข้าที่รับพระผ่อนอยู่ณเวลาที่นั้น บุคคลผู้ไม่มีที่ไม่มีที่เคารพไม่มีที่ยำเกงย่ําอยู่เป็นทุกข์ถามว่าในใจเราลงมาพิจารณาดูถ้าเป็นอย่างนั้นจริงถ้าเราไม่มีที่เคารพไม่มีที่ยำเกงเนี่ยคนเหล่านั้นก็จะอยู่เป็นทุกข์แคนั้นอยแปลกใจเลยนะสัตว์โลกทั้งหลายยิ่งเที่ยวเกษียรประสนในการที่จะหาสารณาหาที่พึ่งกันเนี่ยเพราะเขาทุกข์ใจเขา เขาก็เลยพยายามจะเกประสนหาที่สกาละหาที่เคารพหาที่ยำเกรงของเ้าเนี่ยแต่ว่าสัตว์โลกก็ได้สิ่งที่ตนเองเคารพถูกบ้างผิดบ้างเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะแต่โดยมากแล้วได้สิ่งที่จะทำ ย, ยังไงใช่ไหมเมื่อสัตว์นั้นไม่มีปัญญาเนี่ยไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนเนี่ยการที่จะต้อง ถ้าเส์เกษรนไปตามที่ต่างๆในการหาสถานที่เคารพมันก็เป็นเรื่องปกติเลยอ่ะเมื่อมันยังมีกระแสขันที่หมุนไปในวัฏฏะอยู่กระแสขันเหล่านั้นก็ถูกบาปอกุศลธรรมต่างๆนำเบียดเบียนบีบคั้นต่างหลังเยอะๆที่เหลือที่ฝังแน่นอยู่ในประชาสัตว์ทั้งหลายก็จะพาไอสัตว์นั้นลบชัดเต็มไปหมดที่ตื่นจริงก็หาที่ขึ่งแม้แต่พระรูปมาสัสดาทัดดำบริท่านก็บอกบอกว่า บุคคลที่ไม่มีที่เคารพไม่มีที่ยัำเพลงย่ำอยู่เป็นทุกข์เราจะพึงสการะครบแล้วเคารพ อ, อะไรจากสการะอะไรอาศัยสมณะหรือพรามผู้ที่ใครน้อยจากเสมอกเราลำดับนั้นน่ยพระผู้มีพาเจ้าประสงค์พระดำริบอกว่าเราควรที่จะสการะเคารพสมณะหรือพรามเราอื่นแล้วอาศัยอยู่เพื่อความบริบูรณ์แห่งศีละขันที่ยังไม่บริบูรณ์ แต่เราก็ไม่เห็นนะศีลขันสมาธิขันปัญญาขันที่ยังไม่บริบูรณ์เนี่ยถามว่ามีใครทําเต็มเท่าเราเอาเลยเถิดท่านพิจารณาแล้วในประชาราตฎร์ทั้งหลายที่ในสารกรดจักรวาหลหรือยิ่งกว่านั้นมีกระแสขันต้องท่านผู้ใดบ้างที่มีศีลขันสมาธิขันปัญญาขันที่เท่าเราท่านก็ใท่าควรใช่ไหม มีใครบ้านสร้างทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมาปัญญาบา ร, รมีเป็นต้นเท่าที่จะได้เป็นที่สการะเป็นที่เคารพเป็นที่ยำงเกรงทีนี้เราไม่เห็นสมณะหรือพรามเราอื่นที่ถึงพร้อมด้วยศีลอันยิ่งกว่าตนในโลกอะดูในเทวโลกนีไม่มีอีกในมารโลกละโลกของพญามารทั้งหลายหรือพรมมามโลกไม่มี ในหมู่สัตว์้อมทั้งสำนาาพ้พราหมณ์เทวดาและมนุษย์ซึ่งเราควรสักการะเคารบแล้วอาศัยอยู่ก็มาพิจารณาอยู่เราควรสักการะเคารบสำนราหรือพราหมณ์อื่นแล้วอาศัยอยู่เพื่อความบริบูรณ์แห่งสมาธิขันที่ยังไม่บริบูรณ์ไหมก็ไล่ไปตามลำดับอย่างเนี้นะเออถ้าพิจารณาอย่างนี้จะเห็นอะไรหรือไม่จะเห็นบอกว่าความตรึกซึ่งเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ห้า ว่าบุคคลผู้ไม่มีความเคารพอัคคารวเนี่ยเว้นการคารวะในบุคคลใดบุคคลหนึ่งคือไม่ทรงทําตั้งใครๆไว้ในฐานะเป็นที่เคารพไม่ยัำเกรงอัปติโสเนี่ยเว้นจากบุคคลที่เว้นจากคารวะในบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งคือไม่ตั้งใครไว้ในฐานะเป็นที่เคารพ ไม่มีที่ยำเกงอัปติโสที่บอกเาว้นจากความยำเกงคือไม่ทรงตั้งใครๆไว้ในฐานะเป็นผู้เจริญที่สุดเนี่ยท่านของพิจารณาบอกว่าในมนุษย์นี้ในเทวโลกสเทวะเกเนี่ยพร้อมทั้งเทวดาทั้งหลายที่ว่าสเทวะกะใช่ไหมถือพวกมาและพรหมด้วยเทวาศัพเนี่ยก็ในคำเหล่านั้นท้าสวัสดีมานย่อมมีํำนาจเหนือมาและก็พรมหม ธรรมดาในพรหมมีอนุภาพมากไหมากพรหมเนี่ยใช้นิ้วมือเนี่ยหนึ่งนิ้วเนี่ยแผ่รัศมีไปได้หนึ่งจักรวาลใช้สองนิ้วก็แผ่ไปได้สองจักรวาลถ้าสิบนิ้วก็แผ่ไปได้เป็นหมื่นเลยเนี่ยนะนั้นพรหมผู้มีอนุภาพมากขนาดนั้นอย่าได้กล่าวกันว่ามีศีลดีกว่าพระผู้มีพระเจ้าขนาดอนุภาพมากขนาดนั้นนะ ศีลก็ไม่ดีพร้อมทั้งมารลโลกพรหมโลกสมารเกียสัพรามเกยเนี่ยธรรมดาสมมนาทั้งหลายเป็นผู้หูสูดโดยรู้นิการหนึ่งเป็นต้นสองสามนิการเป็นต้นเรานี่ยมีศีลเป็นบัณฑิตแม้พรามทั้งหลายเป็นผู้หูสูดโดยรู้วิชาดูพื้นที่เป็นต้นธรรมพราหมณ์ทั้งหลายก็รู้วิชาดูพื้นที่ดูต่างๆดูๆดาวดูอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยสมณนาพรามและบัณฑิตเหล่านั้นอย่าได้กล่าวกันว่ามีศีลดีกว่าพุทธเจ้า ฉะนั้นในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพรามสสพรามณสะน ะ, ะ, ะพรามณยาประชายเนี่ยพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์สเทวะมนุษย์สายะเนี่ยตัดรวกเพื่อแสดงโดยสิ้นเชิงบอกว่าในคำเหล่านั้นเนี่ยตัดมุ่งถึงโลกหมายความบอกว่าถึงพร้อมด้วยสียิ่งกว่าสีละสัมปันนัตังเนี่ยใครน่าจะมีสียิ่งกว่าเรา แล้วก็พิจารณาเป็นไปตามลําดับใช่ไหมเสศีเนี่ยเรามีศีนทั้งในโลกียะทั้งโลกุตระใช่ไหมเออศีนในชั้นของโลกียะเนี่ยพระองค์ก็มีศีนในชั้นของโลกุตระพระองค์ก็ได้แล้วสมาธิในชั้นของโลกียะพระองค์ก็มีสมาธิในชั้นโลกียะพระองค์ก็มีปัญญาในชั้นของโลภียะปัญญาในชั้นของโลกุตระถามว่ามีใครล่ะ ที่สามารถจะคิดหรือดําเนินตามทางแล้วก็สามารถตัดสู้เองได้การพัฒนาโลกียาศีล น, นะนะหรือว่าโลกียาสมาธิโลกียาปัญญาให้เป็นโลกุตละศีลโลกุตละสมาธิโลกุตละปัญญาไม่ง่ายเลยถ้าฟังคนอื่นแล้วตัดสู้เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติเนอะอย่างเราเนี่ยถ้าตัดสู้เป็นเรื่องปกติอ่แต่คิดเองตัดสู้นีนะ่ประหลาดนะักประหลาดนักท่านก็บอกว่าโอ้โหเนี่ย วิมุตติยานทัศน์เป็นโลกีญาณฉะนั้นวิมุตติยานทัศนะนั้นเป็นปัจเจเวขันญาณปาตระโหสีหมะปรากฏเนี่ยทีนี้ไปพิจารณาอย่างนี้เรียบร้อเสร็จแล้วท่านก็นมาไข่ควรเนาะไข่ครวนนค ร, วนนออรวบอกว่านหมูสัตว์พร้อมท้งสมน้าพราห์เทวดาและมนุซึ่งเราจัดสักการะเคารวและอาศัยอยู่นั้นน่ะเราควรสักการะคารวะสำน้าหรือพราหมณ์เราอื่นอาศัยอยู่พร้อมด้วยบุคคลที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาไหม คนที่ยิ่งกว่าเราด้วยศีลมีเท่ามีหรือไม่ยิ่งกว่าเราด้วยสมาธิมีหรือไม่ยิ่งกว่าเราด้วยปัญญาทั้งที่เป็นโลเกียโรกุตระมีหรือไม่ยิ่งกว่าเราด้วยวิมุตติยาณทัทสนะเนี่ยวิมุตติยานัทสนะเป็นโลเกียโรกุตระเป็นโลเกียะท่านก็ไม่เห็นว่าใครที่จะมีวิมุตติยานัทสนะเท่าท่นฉะนั้นบุคคลที่บริบูรณ์แห่งวิมุต ขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์แต่เรายังไม่เห็นสมณะยึดคามเราอื่นมีมดในวิเชียรของอาณาจผลรนี่นะพร้อมด้วมิมดที่ยิ่งกว่าตนนะอาณาจผลของนบุคคลเหล่านั้นไม่ได้เป็นที่ตั้งของสัพพัญญญาญาณแต่อาณาจักของเราเป็นที่ตั้งของสัพพยุญญาญาณเป็นที่ตั้งของอนาวรณญาณเป็นที่ตั้งของอินเดียปโรปริยติญาณเป็นที่ตั้งของอาสัญญุตญาณไหมหากรุณาสมาปฏิญาณมากับปริหาดิญาณสัพพยุญญาญาณอนนาวรณญาณเป็นต้น เอออาศัตตะนาญาณหกเนี่ยได้มาด้วยมุตต์แต่บุคคลเหล่านั้นไม่ได้ฉะนั้นในเทวดาในมนุษย์ในมารพร้มซึ่งเราจักสการะเคารพแล้วสายอยู่เราควรสักการะเคารพบุคคลผู้มีบริบูรณ์ด้วยมุตติญาณ น, นัตสันะไม่ก็ไปดูเราก็ไม่เห็นบุคคลที่บริบูรณ์ด้วยมุตติญาณ น, นัตัตนะทั้งในพรหมโลกมารโลก ในหมู่สัตว์สมนะพราหมพร้อมทั้งเวดวิดและมนุษย์ซึ่งเราสักการะเคารพแล้วอยู่อยากันนั้นเลยเราควรสักการะเคารพพระธรรมที่เราตัดสู้นั่นเลยแล้วจริงนจทีพิจารณาใบพิจารณาไหมพระธรรมไงมัตสีพ้นสีนิพพานลและเนี่ยพระธรรมที่พระองค์แสดงมานี่แหละพระธรรมศิลปการนี้แหละเป็นสิ่งที่พทธเจ้าควรเคารพ ลำดับน้ำสมามดีพรมทราบความปริวิตตกในผ้าไทายของพระทเจ้าด้วยใจอันตรธ า, านจากโครมโลกออก็มาในโปรเหมือนกันมาหลา ย, ลอยรอบหนึ่อยู่ในโปร่งสั่งศในเยี่ยนมาหลายรอบเหมือนบุรุษที่มีกําลังเหยียดออกซึ่งแขนที่คู่อยู่แล้วก็คู่เข้าซึ่งแสนแขนที่เหยียดอยู่เช่นนั้นขันสมามบดีพรมกระทำห่มผ้าช่วียงบ่าข้างหนึ่ง มณมัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลพระบรมศาสดาบอกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคดเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรนตระสมมาสมุทรเจ้าเหล่าใดได้มีมาแล้วตลอดกาลอันร่วมมาแล้วแม้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็สกายละเคารพพระธรรมนั่นเองแล้วใัยอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมตระสมมาสมุทรเจ้าเหล่าใดจักมีตลอดกาลอันยิ่งแม้มที่ยังไม่มาถึง งี้พระเจ้าเหล่านั้นก็จะทําการสการ์แล้วเคารพก็ทําคนนี้ยัยยุ่งมากในอย่างเงี้ยใช่ไหมเห็นการตัดสู่ของพระเจ้าหลายองค์คำนวณได้แต่ไม่ได้ตัดสู่ได้นะพอจะเข้าใจพอจะเห็นล่องห็นลอยนิด น, ดนดก็เลยพูดบอกพระเจ้าในอดีตเป็นอย่างเงี้ยปัจจุบันก็อย่างเงี้ยงี้ในอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้ใช่จะจ ะ, จะทําการปริวิตจบในการที่คไขไขขวดก็คือตึก ด, ดูว่าจะเคารพใคร ก็ใ้สุดยังก็จะคารวะความคิดของท่านในวันไว้ถึงพรหมมาโลกนั้นจะได้หรอนั้นเคารวะระสะาธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ก็ะผู้ให้พระเจ้าอาจารย์แต่สามมาสมบูชาในแบบนี้ก็ทรงสักการะคารวะประทัมนั่นแหละแล้วอาจอยู่สหามบดีพมได้กราบทูลดังนี้แล้วก็กล่าวคาถาบอกว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายเราได้ที่ร่วมไปแล้วก็ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราใดที่ยังไม่มาก็ดีและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้นบบัดนี้ผู้ยังความโศกของชนอื่นนั้นมากให้เสื่อหมหายก็ดีพระุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระ อ, องค์ทรงเคารพพระสัตรธรรมอยู่ยังอยู่และยังจัดอยู่ต่อไปข้อนี้เป็นธรรมดาของพระุทธเจ้าทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละอุรบุตรผู้รักตนหวังความเป็นใหญ่เมื่อระลึกถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้า ทั้งหลายพึ่งเคารพพระสัทธาตรงนี้บ่งบอกอะไรก็หมายความบอกว่าอัถะตรงนี้หน่อยก็หมายความบอกว่าข้อนี้เป็นธรรมดาของพระเจ้าพระเจ้าทุกพระองค์เนี่ยเคารพพระสัทธาอยู่และจะอยู่ต่อไปนี่บ่งบอกบอกว่าเป็นธรรมดาของพระเจ้าก็คือว่าขนาดพระเจ้ายังเคารพพระสัทธานะ่ เวลาพระเจ้าจะตรัส ก, ก็ตรัส เ, เป็นตามคทองเดียวกับพระธเจ้าองค์ก่อนเลยจะไม่แต่เทพร ะ, ะับอริยธรรมนั้นผิดเพี้ยนไม่ like พระเจ้าองค์ก่อนใช่ไหมฉะนั้นพระตรธรรมนั้นจึงเป็นประตูนรืจรึงเป็นแผนที่อย่างดีในการที่จะนําสู่การแทงตลอดอริยสัจธรรมและท่านก็บอกว่าคุณบุตรทั้งหลายคุณระบุทั้งหลายเนี่ย เมื่อเลถึงคำสอนุาเมื่อเลถึงประยะิยัติธรรมต้องเคารพเคารพพระสัตว์ธรรมตรงนี้ก็คือมาพิจารณาบอกว่าเท้าสามบมรีภพผมบอกว่าพระศาษษษษษสดานี้ไม่ทรงเห็นผู้ที่ยิ่งกว่าพระองค์ด้วยศีด้วยสมาธิด้วยปัญญาก็พิจารณาตั้งแต่เวจีถึงพระวกระพรมก็จะหรี ว, ว่าเราจะเคารพโลกุจณะธรรมแล้วก็ าพาปรททิยัติธรรมด้วยเป็นต้นนี่เพราะผู้ให้พระเจ้า น, นั้นเนี่ยคิดถึงเหตุคิดถึงประโยชน์พิเศษเราจักไปทำอุตสาหะให้เกิดแก่พระองค์ดังนี้แล้วก็ไปปรากฏต่อหน้าก็ยืนอยู่เฉพาะประพัดทีนี้ท่านก็บอกบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจอในบนัดนี้พูได้เจ้า เพราะอาจารย์จะสัมมาสุขเจ้าแต่ถึงแสดงมับอกว่าพระเจ้าอื่นๆไม่มีด้วยเว่าเราไม่มีอาจารย์ในพระเจ้าเลยครคนเสมอเราไม่มีในโลกทั้งเทวโลกไม่มีคนทัดทัดเทียมเราเพราะเหตุนั้นแหละเพราะเหตุที่พระเจ้านั้นเป็นผู้ที่เคารพพระสัตธรรมหวังความเป็นใหญ่ให้ปรับความเป็นใหญ่เป็นต้นรละลึกถึงคําสอนของพระทธเจ้าทั้งหลายเกินลึกถึงคําสอนของพระทธเจ้าทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ยตรงนี้ก็ทําให้มาพิจารณาอย่างนี้บอกว่า นัานเวลาการประพฤติปฏิบัติเนี่ยการที่จะมาพิจารณาหรือการที่จะมาไข้ควรถึงพระธรรมคาสอนของพระทเจ้าเนี่ยสิ่งที่บอกว่าเออเคารพทำหรือไม่เนี่ยก็ต้องดูตรงไหนรู้ไหมดูตรงว่าบุคคลเหล่านั้นเวลาประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามคําสอนของท่านนั้นถ้าเป็นไปตามคําสอนแปลว่าท่านเหล่านั้นเคารพทำแต่ท่านประพฤติประท้วงตาาคําสอนของพระเจ้าชื่อว่าไม่เคารพทำเห็นไหม ทีตรงนี้ก็ไปพิจารณาเนี่ยเจริญเครื่องขัดเกลาของเราท่านทั้งหลายว่าทําไมเวลาพระพุทธเจ้าก่อนจะแสดงธรรมนั้นพระเจ้าจะแสดงว่าอคนเคารพใครก็ท่านพุทธเจ้ายังเคารพพระศาสนาอยูรร่ไหมแต่ทีนี้เรา ม, ามองเอห็นพระพุทเจ้าไม่เคยเ ค, ยเคารพใครเลยแต่พระองค์ทรงเคารพธรรมถเราบอกพระพุทเจ้าใช่ไหมสภาว่าพุทธะยังไงสภาว่าที่เป็นธรรมะยังไงสภาว่าที่เป็นสังขารยังไรรงรวมกันเป็นหนึ่งก็คือสภาว่ากัดทุกอย่างไง มนจะด้ชัดถึงเงี้พอมองเห็นไหมตัวเนี้ยพอมันเชื่อมโยงอย่างนี้ไสภาวะพุทธะคือสภาวะที่ตัดสู้อริยสัจสภาวะธรรมะคือโลภุตระธรรมก้าวเห็นไหมแล้วส่วนส่วนของปริยติธรรมคือประศัทธันสิสภาวะสังขาที่ฟังปริยัติธรรมและตัดสู้สภาวะเขาโลภุตระธรธรมเข้าถึงโลภุตระธรธรมก็เลยเป็นสภาวะสังขาไม่ว่าจะพุทธะ ธ, ธรรมะหรือสังขารคือสภาวะที่เป็นเครื่องดัดทุกนั่นเอง ดับทุกคืออะไรชาติทุกชะลาทุกมรณนะทุกเป็นๆในสูตรหนึ่งตรงเนี้ยจะได้ชี้เห็นว่าชี้เห็นอะไรชี้เห็นในลักษณะบอกว่าตรงเนี้ที่ในอีกสูตรนี้ในพระมเทวสูตรพระรัชกาลระทัยอยู่ที่เชตวันนั่นแหละตารางท่านอนาบปิณฑิกาเศรษฐุตุมุศวรธิสมัยนั้นเน่ยบุตรของนางพระมณีคนหนึ่งเชื่อพระมเทวะออกบุต ในสนักของบุรุเจ้าครั้งนั้นนะท่านพระมะเทวะเป็นผู้เดียวหลีกเล่นออกไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วเนี่ยไม่นานเท่าไหร่ก็ได้กระทำให้แจ้งแจ้งซึ่งประโยชน์ที่กุลบุตรทั้งหลายที่ออกบวชจากเรือนเป็นบรรพชิตนะต้องผสมก็แ ป, ปลว่าท่านประพฤติไม่นานเลยนีนย่ท่านก็ได้บรรลุอ่านนี้ทีไรแล้วมสัสะเทือนใจเลสนคัญเราตัเองมีปัญญามากแค่จริงปัญญาน้ สำคัญว่าตัวเองเข้าใจว่าทํามใจจริงก็คือไม่เข้าใจเข้าใจยังไม่ทะลุจะบอกว่าไม่เข้าใจเลยทีเดียวก็ไม่ได้เข้าใจแล้วไม่สามารถที่จะแทงจะหลอดเป็นต้นนด้คือเวลาเราศึกษาฟังพระธรรมคำสอนยเสร็จแล้วเนี่ยถามบอกว่าพอหยุดฟังพระธรรมแล้วเนี่ยกระแสของพระธรรมเนี่ยมันยังไหลต่อเนื่องในใจยาวไหมเวลาพยทํากีดต่างๆนี้มันไหลอยู่นานมั้ยลองสังเกตตัดูนะ <Jub ilee> ว่าอมันไหลอยู่นานแต่ถ้ามันไหลอยู่นานเนี <th> ่ยตรึกอะไรต่างๆก็มีพราทํารองรับความคิดตลอดเลยนะมีสติสัมปชัญญะรองรับความคิดมีศรัทธารองรับความคิดเป็นต้นเล่นี้ตื่นตลอดเวลาเนี่ยความคิดไม่วางเปล่าไม่อ้างว้างไม่เป็นไปกระตันหาเป็นต้นแต่เป็นไปกับทำของพระภูมิยาภาคยาเป็นไปกับสิขาสามดาวฤศินสมาธิปัญญาเป็นต้นโอ้น่าจะดีนะเห็นไหมทุกกระแสความคิดทุกกระแสความคิดที่เป็นไปเนี่ย เรามีว่าธรรมเกิดร่วมตลอดเลยมีศีลเกิดร่วมมีศรัทธาเกิดร่วมมีปัญญาเกิดร่วมมีความเพียรเกิดร่วมแล้วก็มีสมาธิมีสติเกิดร่วมมีปัญญาเกิดร่วมเป็นไปกับความคิดทุกความคิดเนี่ยเพราะปัญญาก็คือสังขารละขันใช่ไหมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่มรรคแปดเนี่ยคือสังขารละขันหมดเลยแล้สังขารลขันมันเกิดในขันนี้แหละแล้ขันดับมันก็ดับขันเกิดมันก็เกิดแต่เรามันไม่เกิดซะเนี่ย ใช่ไหมออเป็นยังไงนะอย่างนี้ถืวอว่าเคารพทำจริงๆเลยนะถ้าหากว่าทำเป็นไปกับนอนเนื่องอยู่ในกระแสของความคิดทุกๆความคิดเนี่ยนะไม่ว่าจะปารบลูปารมตัทลาลมกันน า, า, า, ารมล่าสารลมปวดถ้าปาลมบารบลูปาล ม, ามที่เป็นอดีตนะก็ปัจจุบนันปารบปาละมัดหรือบัญญัติต่างๆเนี่ยถ้าทำก็อะไอยู่ในกระแสความคิดเนี่ยนะโอ้โหน่าคิดมากเลยนะอย่างเนี้ยนะไม่หลุดหายไปเลยไม่หลุดหายเลยสามารถต้องกัน ราคะโทสะโมหะได้ไม่เข้ามาแทรกซึมในวิถีความคิดทุกๆอนุของความคิดได้เลยเนี่ยเป็นไปกับพระธรรมคำสองอยีงต่ตอนเนี่ยโอ้จิตเรานี่ไม่เคยเศร้าโศกเลยไม่เคยเศร้ามองเลยนะนี่ยเราทั้งเจ็ดูดวงตาเข้าใจแล้วบุคคลนี้จะมีความโศกมาแทรกเป็นระยะระยะเลยเนี่ยอันบ่งบอกอะไรเนี่ยอบอกว่าอาภิชาและโทมานาทเนี่ยมันจะคอยไหลวนเข้ามากระแทกใจของสัตว์อยู่ตลอดอดยู่นะ เดี๋ยวก็อภิชายินดีเกิดขึ้นเดี๋ยวก็โทมานัฏยินร้ายเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ความกำหนัดขัดเครื่องลุ่มหลงไปเรื่ไปอยู่เนี้ยบ่อยครั้งมากเนี้ยกระแสจิตจะว่างเว้นจากความกำหนัดจะว่างเว้นจากความขัดเครื่องจะว่างเว้นจากความลุ่มหลงแม้สนธนายาวมากอย่างนั้นเขาเรียกว่านั่นแหละวความคุที่เขาเคารพทำนั่นแหละคือเรียกปฏิบัติธรรมอยเนีปฏิบัติธรรมมันอยู่ตรงนั้นนะจะทำยังไงล่ะ แล้วจะช้อนความคิดของเราอย่างไ้เป็นไปกับกุศลเนะ่ยทีนี้กุศลนั้นปารบอะไรกับปลารบศีลปลารบสมาธิหรือปัญญาปารบพระนิพพานอะไรก็ว่าไปใช่ไหมปารบพละผลดำโมคุ ณ, คณหรือสังฆคุณไอ้พูดอย่างนี้โยมันเหมือนจะเกิดง่ายๆนะใช่ไหมเหมือนจะปลารบไม่ยากสักเท่าไหร่นนีะ่จะคิดไปคิดมาเนี่ยเราก็คิดถึงกุศลเยอะๆที่ทาไมเราต้องไปคิดถึงบาตอาถ้าทงคิดถึงบาตรก็ให้ใจบิณนบุต ้ทำไมจะทำไม่ได้ไม่เห็นยังยากเลยใช่ไหมอมองอะไรบ้างที่ทานนะกุศลจะไม่เดินมองอะไรบ้างศีลกุศลจะไม่เกิดมองอะไรบ้างที่เราจะไม่น้อมออกจากวัตถุกรรมกิเลสการการมคิดยังไงบ้างที่มันจะปัญญาบา ร, รมีจะไม่เกิดทำยังไงเอาวิริยะบา ร, รมีก็จะไม่เกิดมันก็เกิดตลอดแต่ถ้าเราจะใครควรเป็นพิจารณาเป็นเอแต่ทำไมไม่ค่อยจริงไหมก็มันน่าจะง่ายๆให้เลยนะแค่จะเอากุศลทั้งหลายมาเข้าสู่กระแสะของนาำ มาทำรูปมาทาให้เป็นไปกับความคิดที่ถูกต้องไม่น่าจะยากเลยเอ๊แต่ทําไมยากแต่ทําไมถึงยากเพราะอะไรเราไม่ได้ปลูกวิธีคิดแบบนี้มาไว้อย่างยาวนานถ้าเราเริ่มต้นวิธีคิดทคิดบ่อยๆอย่าคิดบ่อยๆทีนี้การยังคิดไม่เป็นฟังก็ทำน้าร่องไปฟังฟังฟังฟังฟังลองหยุดฟังลองคิดดูอันนี้ไม่นานฟังไปใหม่ฟังฟังฟังฟัหยุดร่องน้ำร่องคิด อยู่ฝึกอยู่คนเดียวอ่ะมีดีคิดนะนะฝึกอยู่คนเดียวแล้วฟังพระธรรให้เป็นติดไข้ควรหรืออ่านพระธรรมต่างๆแบบนี้อ่านก็ไข้ควรให้เห็นพระธรรมของพระผูู้อุทธเจ้าแล้วขัดเกลาตัวเองได้หรู้ด้วยจริงๆด้ๆๆๆๆๆวยการศึกษาคําสอนของพระเจ้าเนี่ยอย่ไปศึกษาเพื่อรู้อยู่ย <S <S ๆ, ๆแต่ก่อนเราบอก็อยากจะรู้นั่นอยากจะรู้นี่นเราไม่เคยรู้เป็นกิเลสเลยนะแหมจิตเจสิญก็อยากรู้อรมณ์นิพพานก็อยากรู้เนี่ยนะโมเคพอไปเรียนเนื่ย เรื่องเวทนาเขาอยากรู้เวทนาเรนเรื่องมาติกาเขาอยากรู้มาติกาเนี่ยติดกะมาติ ก, กาลูกกะมาติกาก็เรียนกันยังไงพอไปวิถีเขอยากรู้วิถีหรือประธานก็อยากรู้ประธานแล้วไปใหญ่เลยแต่เนี้ยนะจริงๆความรู้เป็นเรื่องดีนะแต่ว่าการการการฟังตรงไหการฟังการเสพคุณแต่ละวิธีคิดเอาสมมติเนี่ยเวลานั่งฟังธรรม เราจะวางใจที่หายใจนั้นเป็นใบกับบุษณ์คือฟังอย่างต่อเ น, นื่องยกตัวอย่างนะทะลายยาเนี่ยที่อย่างในในพรหมเทวะข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างสมัยหนึ่งพระพุเธมีพระเจ้าประทับอยู่ณวิหารเชตวันอารามของท่านนาถปิณฑิตาการษฐีกุม ส, สวทีจริงเนี่ยถ้าคนรู้คําสอนตรงนี้ดีๆเนี่ยประทับอยู่เชตวันอารามของท่านนาถปิณฑิตแล้วทีมโนภาพต้องชัด ใช่าโอเชตวันอนาถาปิฎิกาเศรษฐีเป็นผู้สร้างที่เรียกว่าเชตวันเพราะว่าเจ้าเชษเนี่ยสร้างซุ้มประตูถวายเป็นพุทธบูชาใช้ทรั พ, พย์ไปเท่าไหร่อนาถาปิฎิกาเศรษฐีใช้ทรัพย์เท่าไหร่สถานที่เหล่านั้นทศ ร, ร, รมศสรัสสัดสดาทรงประทับนั่งอหาหารดศาวกที่ไม่เคยไปประทับนั่งที่นั้นในยุค ก, ก่อนๆแทบไม่มีเลยเนี่ยเป็นที่เหยียบย่าเป็นที่เดินจงกรมเป็นที่เข้าสมาบัดเป็นที่แสดงธรรมเป็นที่บรรลุ แม้ในคุงสาวัตถีนั้นมีประชากรอยู่เจ็ดโกรดบรรลุแล้วอยู่ห้าโกรดโอ้โหเนี่ยนะก็ uh, พิจารณาอย่างเนี้นี่เขาเรียกว่ามโนภาพมันเกิดขึ้นเมื่อฟังคําสอนอย่างนี้ก็สมัยนั้นแลบุตรของนางธรรมณีคนหนึ่งชื่อว่าพรหมเทวออกบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคยา่าคั้นนั้นแลท่านพระพรหมเทวเป็นผู้เดียวหลีกออกไปไม่ประมาทมีความเพียรแสดงว่าท่านศึกษาพระธรรมคาสอนพระเจ้าจบแล้ว เมื่อใจไปฟังสองคำแล้วก็หลีกออกไม่ใช่ท่านฟังทั้งใช่ไหมสรุปแล้วเนี่ยคนที่จะหลีกเล่นคนเดียวต้องได้สองปฏิการพิคขูปาดิโมกและพิคุณนีปาดิโมกเอาสิแล้วถังสองสรุปสรุปก็คือง่ายๆก็้ือสองสองวินัยได้อ่่ะทีจะเลี้ยงตัวเองได้ออกไปผู้เดียวได้เนยดางนั้นจะไปทําผิดในป่ายนี่นะเมื่อใจปวดหูจะเดิ น, นด้วยดองก็จะพึ่งใช่ไหม เดินทุ่งตรงมันไ่ถูกด้วยจะเรียกไงดีเมื่อเช้านั่งคุยกับพระถามพระไปไหนมองไปเดินทุ่งมาถามทุ่งตรงไปว่าเดินทุ่งตรงไงทศโบราณกไปรุกขมูลพยวาไปเดินทุ่งตรงทุ่งตรงมีสิบสามบินตะปาบินตะาเป็นวัดเป็นถนนี้ยังทีนี้ทุ่งตรงไม่เกี่ยวกับเดินก็เดินทุ่งตรงเดิน ถ้าบอกจาฤนะเพื่อประพฤติถุดดมเขวัตเตี่ยอะไรก็ ว, ว่าไปเยอะเพื่อขักกดเกลา้วยเองให้ยิ่งกว่าสิเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนอันส่งไปแล้วอยู่ส่งไปไหนมีตนส่งไปไหนนะงั้นะนะกรณีในลักษณะอย่างนี้ใจท่านน่ะน้อมในการทีร่จนะตัสรรเนียน้อมน้อ น้องจิตของตนเอในการที่จะจะตระหนึไม่ประมาทได้กระทําให้แก้งซึ่งประโยชน์ที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชป็นบรรพชิตโดยชอบต้องตามที่ทนเองประสงค์ในรายละอียดท่านไม่บอกอะไว่าท่านไปไข้ควรไปประพฤติปฏิบัติหลังจากที่รู้พระธรรเป็นอย่างดีอย่างยอดเยี่ยมเป็นที่สุดแห่งพระมรรจันพระมรรจันนีศาสนะพระมรรจันและมากกว่าพระมรรจัน าศาสนาพระมารการหมายถึงศีาฐานที่เป็นไปในเบื้องต้นนี่แหละที่เราเรียนกันทั้งหมดเนี่ยในพระธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยเพื่อจะบ่มพรกอาศีลฐานเนี่ยวิธีการต่างๆที่เราศึกษาพรทธรกันนี่นะทำยังไงจะมีอุบายในการที่ทําสีให้เกิดขึ้นในกระแสของขันธะอายตนะเนี่ยทํายังไงจะให้สมาธิขันนี่เกิดขึ้นในขันธะอายตนะทํายังไงจะให้ปัญญาขันเกิดขึ้นในขันธะอายตนะ ทำยังไงจะทำให้มุติขันเกิดขึ้นในขันธะและเยตนะทํายังไงจะทําให้วิมุตติญาณทัศนาขันเกิดขึ้นในขันธะและเจตนาเข้าใจไหมเพราะศีลขันนัน่ะในกลุ่มของศีลทั้งหลายเจตนาศีลเจรสิกศีลสังวรศีลนาวิติกมาศีลทั้งหลายสภาวะธรรมที่เคยเกื้อหนุนศีลเหล่านี้ทั้งหลายทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในกระแสของขันธะและเจตนะสมาธิขันก็คือกลุ่มสมาธิทั้งหลายใช่ไหมกลุ่มที่ตกวิจารเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ทําที่สามยึดกับสมาธิเป็นต้นเหล่านน คือโสภณธรรมทั้งหลายนี่แหละที่เกิดขึ้นในกระแสของเขาเรียกสมาธิขันไม่ใช่ขันได้ไงเขาเป็นขันอยู่แล้วสีงก็เป็นขันสมาธิก็เป็นขันปัญญาก็เป็นขันใช่หเป็นขันเพราะเขาเป็นสังขาระขันเป็นส่วนหนึ่งของขันแต่อกุโสลขันท่านไม่ต้องการนะอยาให้มันเกิดท่านเอาอคุโสลขันให้เกิดขึ้นในกระแสของขันธาตุยตนะ ที่มันเกิดสืบต่อกันอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดสายเนี่ยจะทํายังไงให้สมาธิขันปัญญาขันวิมุติขันวิมุติญาณทัศน์ขันเกิดขึ้นให้ได้ถ้าหากว่าศีลขันกลุ่มของศีลสมาธิขันกลุ่มของสมาธิและธรรมที่เกิดร่วมกับสมาธิปัญญาขันกลุ่มของปัญญาและธรรมที่เกิดร่วมกับปัญญาเพื่อหนุนปัญญาวิมุติขันก็เกี่ยวกับเรื่องการหลุดพ้นนี่แหละสภาวะก็มีมรรคเป็นต้นนะนะมรรคในทางจริงหลักจริงครับผมแต่รวมมากนี่นะ นีลกลุ่มนั่นแหะให้เกิดขึ้นาาธรรมะมรรคจิตเนี่ยเจตสิกที่ประกอบเป็นขันธ์เวทนาสัญญาสังขารอยู่ในนั้นตัววิญญาณคือมรรคผลจิตก็คือวิญญาณเนี่ยเป็นผลจิตก็มีสังขารอยู่ไหมหลักฐานก็มีพวกเวทนาและสัญญาเกิดร่วมนั่นคะือวิมุตติขันธ์แม้วิมุตติญาณทนะัศนสนาขันธ์ก็คือกลุ่มปัญญาเป็นต้นนั่นแหละปัจจเวะขณะญาณนั่นแหละปัญญาเป็นต้นเนีกลุ่มเจตสิกทั้งหลายนามธรรมทั้งหลาย ที่เข้าไปค่ายควรพิจารณามากพิจารณาผลพิจารณาที่ลือที่เหลือเป็นต้นนี่คือกลุ่มปัจจเยแคะนั้นต้องใช้ขันตัดสรุป เ, เข้าใจอย่างงี้เพืกลุ่มนมามประธรรมเนี่ยแต่รูปประธรรมก็ต้องเป็นไปด้วยเพราะรูปประธรรมต้องเป็นฐานรองรับของนามประธรรมอยู่แล้วขันห้าต้องเกิดดับตลอดเวลาเป็นฐานรองรับซึ่งกันและกันเป็นธรรมที่อาศัยกันและกันเป็นไปอยู่แล้ว เห็นไหมว่าจริงๆแล้วไม่ได้ไปหาตัณฑที่อื่นเลยเลยในการที่จะทําให้ศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นก็นที่มีอยู่เนี่ยแต่ที่มีอยู่มันหดเยี้มากในศาสนามันไม่ได้เหตุปัจจัยในการที่จะทําให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าเรามองอย่างนี้ไปเสรษษ็จเราจะบ่มอะไรเราจะใช้พระธรรมหมายไห ม, ไหมของพระเจ้าที่ฟังจากทางทวารหูผ่านเข้าไปสู่ทวารใจเนี่ย นี่จากทวารตาที่เราเกิดการอ่านผ่านลงสู่ทวารใจเกิดความเข้าใจจากการได้ฟังจากการได้เห็นนี่แหละนี่แหละแล้วเข้าสู่ทางมโนทวารแล้วก็ไปไข่พวนทําให้ศีล ส, สมาธิปัญญามุติมุติญาณนาัสสนะเกิดขึ้นในกระแสของฐานธาตุยัตนะให้ได้แทนจากที่กิเลสมันเคยยึดครองมาอย่างยาวนานทาได้ไห ม, ไไหมเห็นไม่อยากเลยเป็นยังไงก็เหมือนอยังไงรู้ไหม ประเทศเนี่ยต่างกันด้วยกาเรวาละที่ยาวนานายาวานานขึ้นใช่ไหมอันนี้หมายถึงเกี่ยวกับในเรื่องของลุกประธรรมเนี้ยถึงมีนามมาทําอาศัยเป็นไปอยู่แล้วเกิดดากเป็นไปอยู่เนี่ยมันถูกโมหะปกครองมาอย่างยาวน้นมีมิจฉาทิฏฐิเป็นธรรมวิชัยใช่ไหมย่างยาวนานนยก็มีมมนนลมกลุ่มเสนาอะไรเยอะอแยะหมดแหละที่ลูกน้องของเขาเนี่ยราคาดตัวสามโมหะกว่าไปเหมะทีนี้ ล้วก็กำลังไปฝึกผลของเราอยู่จากการรู้ว่าทำแล้วเสร็จเนี่ยเริ่มก็เริ่มเข้ามาแล้วบอกขอยึดพื้นที่มาวิจัยพื้นที่เอ็กซเย์พื้นที่ใหม่เพราะพื้นที่เหล่านี้วางเก่าระเบิดเต็ไมไปหมด <c oughs> ก็มาคนายคเพื่อต้องการที่จะมาชำระให้ให้กระแสของรูปนาม น, นั้นบริสุทธิ์นะเนี่ยจริงๆท่านพรหมเทวะเนี่ยท่านได้ ภิกษุรูนี้ท่านทาไม่แจ้งซึ่งประโยชน์ตนทีนี้บวชท่านบอกว่าท่านทำได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นที่สุงมากพระพรหมจันทร์เพราะรู้แจ้งชัดใ น, ในปรัชญาตายุบันก็คือว่าท่านได้ทราบว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจ ท, ที่คนรทำทำเสร็จแล้วกีจอื่นเพว่อความเป็นอย่างนี้ชาติสิ้นแล้วชาติไห น, ช า, ไหนชาติไหนสิ้นนะชาติไหนสิ้ คืออย่างนี้ในกรณีตรงนี้เนี่ท่านบอกว่าอยู่ด้วยความเป็นผู้ไม่ปราสตินั่นแหละคือไม่ประมาทเป็นผู้เดียวคืออยู่คนเดียวในยาบททั้งหลายมียืนเดินนั่งนอนเป็นต้นหลีกออกแล้วเนี่ยมาจะทำมาบูปากกัดโถปลีกตัวไปปราศจากการคุกคี้ด้วยกันอับ บำวเนี่ยแปลว่าไม่บระมาดอยู่ด้วยความไม่ปราศจากสตินะ็เาเรียกไม่บระมาดสติมันเกิดขึ้นในกระแสของขันธ์าตาเยชนะใช่ไหมถ้าจิตเราไม่มีสติตอนนั้นชื่อว่าเราประมาดถ้าสติอยู่กับความคิดอย่างนั้นก็เรียกไม่ประมามีความเพียรอาตาตีเนี่ยประกอบความเพียรเครื่องเผากิเลส ก็หมายความบอกว่าส่วนมีตนเป็นเครื่องส่งไปปประหิตตุกไอคําว่ามีความเพียรมีความเพียรเป็นเครื่องเผากรีนเลนนะสมบัาิบันนะ ม, มีตนส่งไปแล้วก็ได้แก่มีตนส่งไปแล้ ว, ว, ส, ลวส่งไปในการที่จะเป็นไปใจในการที่จะจัตุรุเนี่ยที่จะน้อมออกผลีกออกเปื่ออะไรเนี่ยกวนระเบิ ท, ทั้งหลายกวนระเบิดพวมีมันญาติก็สามารถโดยเช่าก็คือไม่ใช่บวชเพราะเป็นห น, นี้นะ ไม่ใช่บวชเพราะมีภัยไม่ช่รูยบวชเพราะเลี้ยงชีพแม้ผู้บวชไม่ว่าด้วยกรณีใดๆบำเพ็ญปฏิปทาที่สมควรก็ชื่อว่าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบทั้งนั้ น, นแหละถ้า บ, บวชมาแล้วเนี่ยนะกรณีใดๆที่เข้ามาเนี่ยจะบวชยังไงก็แล้วแต่เถอะแต่เมื่อบวชมาแล้วเนี่ยบำเพ็ญปฏิบปทาที่สมควรที่สมควรเกการจะตัดสู้เนี่ยนะ อย่างนั้นชื่อว่าออกจากเรือนบวชเป็นบัณฑิตโดยชอบทั้งนั้ น, นพระมะรัจจริยาปริโยสานั่นก็แปลว่าเป็นที่สุดแห่งพระมรรจันร์อริยผลเนี่ยเป็นที่สุดแห่งรมรรจันทร์ใช่ไหมมรรจันทร์พระมรรมจนทร์มีสองนี่าศาสนพระมรรย์กับรมรรจันทร์อะไรเป็นที่สุดของพระมรรจัน์ อริยผลผลต่ออย่างมากเนี่ใช่ไหมมารเป็นตัวพรหมจรรย์อริยผลถึงจะเป็นที่สุดของพรหมจรรย์ใช่ไหมศีลและทิฏฐิที่ตรงถึงจะเป็นเบื้องต้นของาศาสนาพรหมจรรย์ใช่ไหมแล้วก็มาก์คพรหมจรรย์ถ้าศีลและทิฏฐิไม่ตรงมันจะเข้าห า, าศาสนาพรหมจรรย์ได้ไหยในศีลด้วยสมาธิที่ต้องชัดด้วยเขาเห็นอย่าง น, นี้ถ้าศีลจะไปตั้งอยู่บนมิจฉาทิฏฐิ เอาคนรักษาศีลดีดีจะเป็นวิชาทิฏฐิมันรู้ได้ไหมไม่ได้เอาสิเอาเรายุ่งเลยตงเนี้ยเ้าก็เห็นคนมันญาติดีเยอะแยะที่ปฏิบัติมันญาติดีจะเป็นวิชาทิฏฐิเต็ไมไปหมดเลยแล้วใช่ใช่กัญญาณ ม, มิตรของเราไหมเนี่ยยุ่งหมดีเลยดูแค่ข้อวัดสิเดียวได้ทีนะ่ไหนดูทิฏฐิท่านด้วยดูทิฏฐิท่านอย่างเดียวก็ไม่ได้ดูสิ เนี่ยเวลาเราศึกษาคําสอนจะเริ่มมองมองอะไรเห็นใช่ไหมจะเริ่มมองเห็นเราจะชัดขึ้นเราจะได้เป็นประโยชน์มากขึ้นที่จริงเนี่ยว่าเวลาเนี่ยทุกคาสอนเนี่ยทุกสูตรเนี่ยลองมานั่งวิจัยจริงนะคนเนี่ยมันนั่งศึกษาฟังคําสอนเนี่ยมีพื้นฐานดีๆนะแค่มาไล่ตามสูตรอยูน่นยแล้วนี่คือเข้าใจประถมกลับไปอ่านใหม่เลยเนี่ยโอ้โหะลุตรวงเลย ใช่ไหมทีนี้อาการวิเคราะห์การมองต่างๆแบบนี้ต้องอาศัยท่นที่เคยผ่านมาหลายๆรอบนี้ท่นช่วยสกิดมองแต่ก็จะเข้าหูตรงเลยเลยนี่อยู่เป็นอย่างไงที่เวลาการฟังธรรมมุ่งคนในยุค น, นี้น้อยมากแต่ก่อนเนี่ยพอ่ําลงถึงดอกไม้ทุกเตียงเนี่ยใช่ัหมทุกวันนี้มันมีเวลาที่จะมาศึกษาพระธรรมไม่เป็นอย่างนี้เอาจริงๆเหมือนเราไปนั่งฟังธรรมคนเดียวเนี่ย สตาร์ว่า ม, ามั้ยทำงานไปด้วยไล่ไปด้วยใช่มั้ยเห็นหมั้ยมันก็ขาดแต่ลองลองมันนักสิการดูแลสรีระห้เรียบร้อยเปร็จเสร็จนั่นฟัาเนี่ยพวกนี้สัจจะตัดสรุปไปอย่างนี้นะสมัยก่อนเห็นยายเ อ, าเ อ, าอยายแค่ฟังคำในวิทยุแกเป็นลมนิดนึงแลวมองเด็กๆ ฟังนะยิ่งทำไมต้องบันนงมือเมื่อฟังในวิทยุต้องบันนมมือให่เดี๋ยท่านคาร์ลท์ถามท่านคาร์ลท์ถามน่เลยท่านคาร์ล์กระทำนี่แ่ใช่ไหมว่ากายกรรมท่านคาร์ลว่าจีกรรมท่านคารลว่าโนกรรมท่านก็ร์ล์อ๋อเขาฝึกของเขาเขาทาของเขา แต่ว่าจริงๆแล้วบางคนท่านก็ยื น, นไม่ได้กระนม้ม อ, อาการเคารพมีหลายอย่างใช่ไหมหลายอย่างการเคารพตรงนี้นี่แหละที่บอกว่าท่านรู้ชัดด้วยตนเองเนาะที่บอกว่าในปัจจุบันนั่นแหละทิศเถวาธรรมเมฆก็ได้แก่ในอัจฉริยนี้นั่นเองรู้แจ้งชัดเองสยังอภินยาญาส จ, จิกดวาได้แก่รู้ด้วยตนเองคือทําให้เป็นประจักษ์เข้าถึงน่ะ ปุปะสมุติปัจชาก็คือได้แก่สําเร็จอรนยผลอยู่ท่านพระมเทวะเนี่ยรู้ด้วยประการชนนี้รู้ชัดฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าแสดงปัจจุเอะขนาดภูมิของท่านได้บดว่าได้บยดังที่ได้กล่าวเนี่ยท่านบอกชาติสิ้นแล้วพระมอาจารย์อยู่จบแล้วจิตที่ควรทำทำเสร็จแล้วจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีถามบอกาชาติไหนของท่านพระพรมทีละว่าสิ้นชาติไหน ท่านพรมเทวะรู้ชัดข้อนั้นได้อย่างไรก็บอกชาติส่วนอดีตของท่านของพระพรหมเทวะที่ว่าชาติสิ้นแล้วก็ไม่ได้ก่อนเพราะสิ้นไปในการก่อนเสียแล้วแล้วชาติส่วนอนาคตของท่านละ่ะชื่อว่าสิ้นแล้วก็ไม่ได้เพราะไม่มีความพยายามในชาติในอนาคตอีกแล้วชาติส่วนปฏิบันก็ชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้สิ้นเพราะยังมีอยู่ มขันท่าระยะต้นขของท่านยังเดินอยู่ไหมหลังจากที่ท่านบอกชาติแล้วพระาจ j a ย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิดอื่นประกาเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเนี่ยสิ้นแล้วไม่ได้เพราะยังอยู่แต่ชาติใดชาติชาติา ต, า ต, ต่างไปด้วยอันต่างกันด้วยไงเดียวขันหนึ่งขันสี่ขันห้า ที่ไปเกิดในเอกวโกระภพเจตุวโวรกระภพปัญจวรกระภพท่านจะได้ไหมเห็น<ม>ไหมกรันเวห้วืว่าเอกวโกระชาตการไปเกิดที่มีขันหนึ่งปปคือพวกสัญญาท่านก็สิ้นแล้วท่านจะไม่ได้ขันเหล่านั้นอีกแล้วชาติเหล่า น, นี้สิ จตุกรชาติการได้เวทนาขันธ์สัญญาสัญขานวิญญาณขันธ์ไปเกิดในรูปภพท่านก็สิ้นแล้วปัญจโวกระชาติชาติที่ไปเกิดในปัญจโวกระพุมเนียขันห้าของท่านคือรูปขันธ์เวทนาสัญญาสัญขานวิญญาณที่ไปปฏิสติินที่ในภูมิที่มีขันห้าชาติทั้งสามประการในสิ้นหมดแล้วนั้นชาติสิ้นแล้วเพราะความไม่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะอบรมมะ โซดาปริมักสกาธาคานมิมากอน า, าคาร ม, าอาม์อารามัคได้หมดแล้วนั้นชาติของท่านคือมีเอกโวกัลชาติจตโวกัลชาติปังจตโวกัลชาติเนี่ยไม่มีอีกต่อไปแล้วนี่ประเทศชาติสิ้นแล้วพวกเรามีชาติสิ้นหรือยังชาติยังไม่สิ้นชาติไหนใช เนี่ยว่าท่านพรหมเทวะท่านพิจารณากเกลเอขล้าแล้วได้มากระพรวนาย่อมรู้ชัดว่าชาตินั้นนี่ยกรรมแม้มีอยู่ก็ไม่เป็นเหตุให้ปฏิสนธิในเอกวกกละพบเจตัวโกละพบปันโวกละพบอีกแล้วกรรมมีอยู่ในดีของท่านเนี่ยแต่กรรมของท่านเหล่านั้นเนี่ยจะไม่กรรมของท่านนั้นจะไม่ยังปฏิสนธิให้เป็นไปอีกแล้วก็ชาติทันสิ้นเลยนั้นท่านจะไม่เกิดมีขันหนึ่งขันสี่ขันห้าแต่พวะเรานี่เหลือ อ, อีกเพียย เป็นโรงงานมะฮืมาเลผลิตชาติเนี่ยโดยมากเป็นขันห้าอยู่ในใบมภูรุมนะควรนะขันหนึ่งกับขันสี่ยังไม่ได้ทําเคยทํามาแล้วแต่กรมเหล่านั้นเป็นอาวิกรรมไปเสร็จสิ้นเหมือนละแต่ยังมีอัจฉรยะใสายที่เป็นอุปนิสัยอยู่เป็นอัจาริยะอยู่แต่ขันห้าที่อยู่ในกลาลมะพรุมนี่แหละ เยอะหมดเลยทีนี้เป็นโรงงานผลิตเลยการตลักษณเนี่ยน่ากลัวจริงหยู่จบแล้วเนี่ยวุสิตังนี่ยอยู่แล้วดูท่านอยู่รอบแล้วกระทาแล้วประพฤติแล้วนั่นแหละคือให้สำเร็จแล้วพระมจาจันเนี่ยนะพระมจาจรรย์ในแก่มากกว่าพระมจาจันเนี่ยนะกิจจะต้องทําไม่ได้ทําอีเวนต์เสร็กตังกรณีอย่างในเบบะกิศิพกนะปริญญากิจท่านทำเมียปหานากิจ สัจจิกริยากิจภาวนากิจในโสดาปันิมาสท่านทําอียร์ทำแล้วกิจสอย่างในโสดาปันิมาสท่านจะทําแล้วกิจสี่อย่างในสกัดธาตุไตรมท่านจะทําแล้วกิจสีอย่างในอนาคไตรมาท่านจะทําแล้วกิจอสอย่างในอารหัตมัสท่านก็ทําแล้วสี่คูณสี่เลยเป็น16เลยนี่ก็กิจสิบหกท่านทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อจะกระทําอย่างนี้อีกไม่ได้มีระนาบารมีอิทธตัดอิถัตายะแล้ว ท่า น, นมรรคกับภาวนาเนี่ยเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกท่านมีไหมท่านจะต้องมาทมาํามรรคกับภาวนาอีกไห ม, ไมเพื่อจะทำโสดาปัิมรรคให้เกิดขึ้นทำสกัาช า, ามับมรรคให้เกิดขึ้นนาคาบมรรคอะไรจะม่มมใหเกิดขึ้นท่านหมดหยังเนี่ยเขาเรียกว่าชาติสิน้นแล้วกิจที่ควรทําไม่มีอีกแล้วแต่พวกเราเรานี่โอยังไม่ได้สักกิจเลยสิพกไม่ได้สักกิจเลยแล้วมัวทำกิจอะไรกันอยู่เ <laughs> นี่ย แต่ก่อนเนะี่ยเวลาเราศึกษาพวกนี้นะขาดกลิ่นแล้วพรมจันทร์อยู่จบแล้วกิ่ที่ควรทาทาเสร็จแล้วกิดอื่นเพราะความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอยู่เลยนนะพอท่องเสร็จก็ตากคนต่างไปจาได้แล้วแต่มาถามว่ากิ่อะไรไม่รู้แปกนี่บอกว่าความจริงเกีเ่ยวกเนะี่ย ท่านจะไปการเพียงพยายามทำกิจสิบหกให้เกิดขึ้นเพื่อจะทําให้ดีเลยที่สิ้นนะัะไม่มีกับท่านอีกต่อไปแล้วนี่ก็เรียกว่าเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกถัตตาญะณนะั่นได้แก่ความเป็นอย่างนี้คือการประการอย่างนี้ท่านพระมเทวได้ทราบว่าขันทสันดานอื่นจากขันทสันดานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่มีท่านบอกโอ้โหท่านมีความสุขมาก ท่านไม่ต้องไปแบกรับขันทพาราอีกแล้วเห็นไหมการแบกรับทพารานี่เป็นเป็นเป็นเป็นความหนักหน่วงอย่างยิ่งถ้าแบกรับขันทภาราเพราะขันทพารานี่เป็นความเจ็บปวดมันเป็นความหนักจริงนะแต่การเกี่ยวข้องการแบกขันธพาราเนี่ยเป็นความเป็นความเจ็บปวด ถาจะเปิด้บางทีเราก็อาจจะคิดว่าไม่เห็นเป็นอะไรใช่ไหแล้วก็แบกมาทั้งยาวนานแลจะแบกตอกปจะไปพิจารณาให้ดีๆแล้วจะเห็ว่าภาระในการที่เราต้องแบกขันดังนี้เป็นเป็นความทุกข์มากทีนี้ตรงนี้ก็คือย้อนกลับมาที่บอกว่าท่านบอกว่า านางปรามณีท่านถืออาการบูชาก่อนข้างครั้งนั้นแหละถ้าตอนตอ น, ตอ น, น, นท่านท้าสามมรดิเออครั้งนั้นแหละท่านพระมเทวะนิวารุ่งเช้าก็นุ่งผมถือบาตรและท่านไปป่าหันแล้วเนี่ยนะเดินไปตามลําดับต่อเข้าไปในดิเวศของมารดาของท่านปินบิดาบันเมฆท่านรวยอ่นี้พอไปแล้วเนี่ยนะในสมัยนั้นานางปรามณีมารดาของท่านพบ ร, รมเทวา ถือการบูชาดินดักแก่พรหมเป็นนิจก็คือเอาข้าวทำอาหารต่างๆบูชาพรหมทรั้งนั้นแหละเท้าสามบดีพรหมก็คิดว่านางพระรมณีผู้เป็นมารดาของพระมเทวานี่แหละถือการบูชาบินดักแข่พรหมเป็นนิดฉันไหา น, า น, น, น, น, น, นน้นนนอยเราพึงเข้าไปหานางแล้วก็ทําให้สลดใจลําดับนั้นท้าสามดีพรหมก็หายจากพระมโลกปรากฏแล้วมีนิเวศของมารดาของ ประมาเทวะเปรียบเสมือนปุรุษผู้กําลังเหยียดออกซึ่งแขนที่คู่เข้าแล้วก็ออกพึงคู่เข้าซึ่งแขนที่เหยียดออกแค่ น, น, นั้นแค่นะั้นแหละนะเท้าสามดีพร้อมเนี่ยลอยอยู่ในอากาศพอลอยอยู่ในอากาศก็ได้กล่าวกับ นางพรามณีผู้มารดาของพระมเทวะ้วยกระสาว่านาพรามณีท่านถือการบูชาก้อนข้าวเนี่ยนะแจกพรหมใดมั่นคงเป็นนิสพรหมโลกของพรหมเหล่านั้นอยู่ไกลจากที่นี่นางพรามณีภักษาของพรหมไม่ใช่เช่นนี้พรหมไม่ได้กินอาหารที่ท่านให้หรอกใช่ไหมท่านไม่รู้จักทางของพรหมคือปฏิปทาที่จะเป็นเป็นพรหมทัานต้องรู้จัก S <S <an> <S ใช่ไหมท่านไม่รู้จักเลยอ่ะ ท, ทําไมจึงบน่นถึงพรมท่านมาล้องเพ้อถึงพรมทำไมเนี่ยท่านไม่รู้จะปฏิปทาตทางๆข ง, งพรมอ่ะเขาเป็นพรมกินอะไรท่านก็ไม่รู้ทางที่จะไปเกิดเป็นพรมนั่นก็ไม่รู้ใช่ไหมท่านได้สรุปแล้วท่านเขามากท่านเข้าผลทางที่จะไปเกิดเป็นพรมท่ า, า, านเข้าสภาพของความมีอยู่ของมท่านไม่รู้จักพระเจ้า ท่านมานั่งบูชาพระจะาบูชาพระพรหมอยู่เนี้ยนางพระมณีก็ถามว่าท่านพระพรหมเทวะนางพระมณีบอกก็ท่านพระพรหมเทวะของท่านนั้นเป็นผู้หมดอุปธินะ์ไหนขันก็อะไรไม่มีไม่ต้องแบดขันในพบต่อไปแล้วไม่ต้องมีกิเลสไม่ต้องมีสังขารไม่ต้องมีก ร, รมคือกิเลสกามทั้งหลายอุปธิที่ต่างๆหมดเกลี้ยง ถึงความเป็นอดีตเทพมีสามอย่างนะในตำนานอย่างนั้นไงสมมุติเทพใช่ไหมอุปติเทพแล้วก็วิสุทธิเทพสมมุติเทพคือโน่นไงก็พระเจ้าป้าเจ้าเป็นนินทั้งหลายไงอุปติเทพว่าเราไงที่มาลอยท่าเนียวนี่วิสุทธิเทพนั่นนัยรูปทายท่านนี่แหละอีกพวกนี้ข้าราชการนี่แหละท่านสอนง่ายเย็นหนึ่งแต่ท่านพูดภาษาของท่านเนี่ยเราอ่านไม่เข้าใจไง พอมาแปลเป็นภาษาเราเออมันเข้าใจย้องพูดกันง่ายๆอย่างนี้ท่านพ่อว่ามาไปเห็นยมตี๋ไม่ว่าเขาปลอมไอ้มารู้าใจไหมไอ้มาก็บอกยมตี๋แ้าบอกว่าเออยำตี๋ไม่รู้จักทางของพรมเนี่ยเออมาร์กที่หยุดไนทางที่นําไปสู่การเป็นพรมยำตีไ๋ไม่รู้เออไม่รู้แล้วที่ไม่รู้ไอ้อันแรกเลยนะมาอ้อนวอนอดอกไม้ทูบเทียนบ้างเอาข้าวปาอาหารนั่งคุกเขา่าข้าวหกรถตัวเอง หม่ขอร้องออนบอนบน่นโอ้ยขอปูชารพรพรมใช่ไหมขอพพรมนั้นจะมากินอาหารท่านก็ไม่รู้อาหารหลงพรมโลกไ่พรหมก็หยุดเขามีอาหารพิธีเขาไม่กินรองอาหารเนี้ยอย่างเนี้ยไม่รู้จักพักษาหาและไม่รู้จกที่อยู่หลวงพรมนี่ก่อแรกและการไปเกิดเป็นพรหมยังไงย่อมก็ไม่รู้อย่างนี้นะ ไม่รู้เขาเอกไม่รู้ปฏิปทาไม่รู้วันตานี่ไปเกิดเป็นพรหมวะเนี้ยก็เลยบอกว่าเออเนี่ยนะแล้วก็ท่านไม่รู้จักพระพรหมาเทวยวไม่รู้จักรูปเนี่ยคนเนี่ยท่านคนเนี้ยหมดกิเลสคือราคาโทสารมุฮาหมดอุบา hti ด้ต่อไปแม้แม้ท่านเข้าท่านไม่มีอุบาิ t คือไม่มีขันเน่ะไม่มีขันรูปเทียไม่มีขันทูปเทียใช่ไหมไม่มีกิเลสูปเทียไม่มีกิเลส ไม่มีสังขารูปทิก็คือไม่มีเจตนากรรมเจตนากรรมในการที่จะทํากรรมในการไปเกิดในภพต่อไปไม่มีแล้วไม่มีวิบากไม่มีการมูปธิไม่มีความยไไมมม่่ียินดีในวัตถุกรรมแล้วก็ไม่มีกิเลสกรรมมหาญาติเพราะอย่างเนี้ยท่านเป็นเทพีโมเทมันเนี้ยเป็นอุปเทษะใช่ไหมยิ่งกว่าข้าวเจ้าที่พูดตรงๆเนี้ยยิ่งกว่าข้าวญา้าเพราะข้าวเจ้าเป็นอุปเทษ มนุษย์เดินดินตั้งหลายที่ช้าลงเรื่องเป็นสมมุติทิเทพแต่ท่านผู้นี้เป็นอติเทพเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทพจริงบริสุทธิ์ปราศจากราคะโทสะโมหะทั้งไม่มีก็ว่าไปดังที่จริงท่านว่าอย่างนี้นะแต่ท่านเข้าใจอันมาขายะไงทีนี้ท่านพ่อพรหมเดวาซึ่งอยู่ในเรือนของท่านเพื่อบินนาบาตเป็นผู้สมควรแก่ปีนตาที่บุคคล น, นำมาบูชาเนอะ ก็ว่าไปเลยเอาเนยโยเปาเนยโยดากินนยโยอันเจรีกันนี้โยเนยนรามกินยากี่ยตังโลกระสานี่ไงท่านคนเนี้ไม่ไดสารทายาใช่ไหมเนี่ยลักษณะนี่ถึงเวทด้วยเอะเวทคือแล้วแล้วบอไตเทศกันรีเวทไตนี่เราวิชาสามอ่ะนี่เวทแท้เวทที่พรมพรามก็เรียนกันมึงก็เลยมาช่วยเเวทเป็นสามเวทเป็นตลอเนี่ยนะเมื่เขาเวทเนี่ยเวทคาพีเราเนี่ยโอ้โหเป็นกำีกระจกในตำลองเนี่ยนะ ประโยชใช้ไม่ได้เป็นไนยวัตตแต่ท่านพู้นี้ที่ได้ปุเพนิวาสานุสียายได้จุตูปาตยายนได้อาสวัคยาญาณนี่คือถึงเวทสามมีตนอดอบรมแล้วถามว่าอบรมกายได้ยังอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาแล้วนี่เป็นอย่างนี้เออถึงบอกสมควรแก่ทัศนณาทานอันมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย บอกว่าร้อยบาปแล้วเป็นพรามนี่ร้อยบาปเลยเนี่ยอันตันหาและทิถีไม่ฉาบทาแล้วโอ้โหในกระแสขันของท่านไม่มีพิษเลยใช่ไหมพิษคือตันหาคือทิถีคือมานาคือโลภะโทสะมหามไม่มีเลยกระแสขันของบุรุษชนเนี่ยพิษเต็มไปหมดนั้นเราถ้าเขาบอกว่าเรามีเมลพิษร้ายอย่างเนี้ก่อดไหมไม่ก่อนเลยนะ พิษร้ายเนี่ยเพราะมีในกระแสของฐันธาตุ ย, ยนานธาตุเต็มไปได้วยพิษถ้า ใ, ใครมาอยู่ใกล้เนี่ยพิษจะติดไปเลยไม่ได้เลยใช่ไหอเขาเรียกว่าเป็นเป็นบุรุษที่มีพิษรอบตัวเป็นบุรุษที่มีพิษรอบตัวเป็นสตรีที่มีพิษรอบตัวเลยโอ้รอบไปหมดเลยมีพิษเต็มไปหมดแล้วพิษเนี่ยสามารถที่จะคนอื่นมาอยู่ติดได้ด้วยแล้วอาหน้า ก, ากากปิดหน้ามันก็เข้าได้ด้วยอาสิ มันเป็นพิษประหลาดมากมันซึมเข้าในกระแสของขันท่าแต่ยะตนะเออใครมาเสียคุนมากๆเนี่ยติดเลยต้นบริเวรเพชรเนี่ยมันไปพันต้นไหนก็สามารถทําให้ต้นไม้มันขมมาได้ยังไงแต่ว่าเราเนี่ยยิ่งกว่าต้นบริเวรพชรนะเพราะเราเนี่ยไม่ต้องมาติดแล้วหรอกแค่อยู่ใกล้ๆฟังเสียงเราบ่อยๆก็ติดพิษเราแล้วยังไงเห็นเราอยู่ไกลๆ ก, ก็ติดได้ โอโหน่ากลัวมากนี่งไงพิษคือราคาโทรศัพท์โมหะย่ำนานน่ากลนะแต่เราไปติดพิษเหล่นี้มาเต็มไปหมดเลยตอนนี้มีหน้าที่ราดื่มโอสดทรรมโอสดของพุทธเจ้าให้มากเอาดื่มดำก็ไปให้มากกราหั่งพิษเดี๋ยวนี้ก็นิยอมมาเลยใช่ไหมปอสามพิษ ่ไหอาหารปลอสารพิษนิยมกันมากใช่หมเราก็บอกว่าแค่อาหารปอสารพิษอย่างเดียวพอไห ม, ไมต้องใช้ธรรมโอสยล้างสารพิษในกระแสของฐรรานธาตุยานธาตด้วยนะดื่มใ บ, บดื่มโอสถนี้ใ บ, บดื่มวันละร้อยแก้วยิ่งดีไม่มีโทษ เพราะดื่มไปแล้วจะทำให้เยือกเย็นเนี่ยนี่ท่านก็บอกบอกว่าเนี่ยท่านบุญเนี่ยคือท่านพ ม, มเทวะเถระเนี่ยนะเป็นผู้ที่ลอยบุญแล้วลอยบาปแล้วอันตรหาเลยที่ถีไม่ฉาบทาแล้วเป็นผู้เยือกเย็นแล้วดับสนิทแล้วสงบแล้วเนี่ยราคาโทสะมัหาไม่กุ้มรวมกระแสของขันธะแต่ยตนาของท่านแล้วตอนนี้ท่านกําลังเที่ยวแสวงหาหาอยู่ เพรานั้นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีเนี่ยไม่มีแล้วสําหรับท่านพอมาพระพรหมเทพพรมทวะเนี่ยท่านเพระพรหมะเทวะเป็นผู้สงบระงับนะปราศาจากควันนะไม่มีควันออกหูแล้วบอกเราเดี๋ยาโลบ้าเกิดแล้วควันออกหูแล้ววิ่งซ่านกันเลยใช่ไหมที่เรามองไม่เห็นควนนะันเนี่ยโทสะเกิดขึ้นควนันก็พุ่งพุ่งเต็ไมไปหมดแล้วโมหะเกิดขึ้นกลินะก่นไงกลิ่นกิเลสที่มิทุนนะ กินราคะโทสะโมหะมานะที่ิี่วิจิกิจายีด้วยกาน้นโนตะปาเนี่ยพระเจ้าใช้คำว่า น, น่าหงายเปียกแฉะเนี่ยมันโชยกลิ่นอยู่ตลอดเวลาเดินไปหนะที่ไหนเนี่ยภาคเรียบปิดจมูกกันเป็นแถวมัน ม, มีกลิ่นสีไหลออกมาจากกระแสของขันท่าดายนานะเลยอ่ะต้องคิดดูเลยเนี่ย ถ, ถ้าธรรมดานี่ยนะท้าวอริยายอยู่ตรงนี้ท่านจะพูดยังไงไหมทำไมท่านทั้งหลายมาเดินชฉยกินอยู่แถวนี้ไม่มีกินสีนหออกไหมข้าวอริยายได้ชื่นชมเลยเ่รอใช่ไหมไม่งั้นเทวดาเทพรมทั้งหลายทำไมท่านไม่อยากมากลินสีลมันไม่ออกเกิกายเลยจากการะแสขันของสัตว์โลกในยุคนี้เลยมีแต่กิ่นกิเลสโอยอยากจะหนีร้านโยศหลายร้านโยศเออมาปล่อยกินกิเลสออกเต็ตไมไปหมดใช่ไหม ท่านนี้กินสีนโชยออกมาบ้งเรคิดดูดิถ้าเราไปเกลือกตัวกับคนที่โชยแต่กินเมื่กี้เลยอยู่เนี่ยเราจะติดกินไหมเอ้าโอ้โหติดตินะเนี่ยทําไมพระบางองค์ท่านไม่ค่อยอยากเกลือกตัวไม่ค่อยอยากเข้าใจอย่างนี้ท่านอันุญาตมาจะพูดกันแบบกันเองกันมันก็กล้าพูดแต่ไปพูดกับคนส่วนมากมาไม่ค่อยกล้าพูด จะปวหัว่าเราจะอะไรเขาอยไหมแต่จริงๆเป็นอย่างนั้นจริง ๆ, ๆนี่สายตามระริญขนาดพาระอนุนเดินในทางกลางของพระทหารพาระอนุนโดนตาเนีเอ้ในหมู่ภิกษุห้าร้อยองค์เนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยเดินเฉยตอันไม่น่าปรารถนาเอาสิตอนนั้นบ้ะนนนเป็นพระโสาบันเนี่ยโดนพระทหารตำหนีอย่งนี้เลยอะพระอนุนเนี่ยเสอือกหยุดเลยโอ้โหตายอะ ในบรรดาห้าร้อยองค์เราเท่านั้นเองที่ยังเป็นพระโสตาบานนอกนั้นเขาบรรลุกันหมดแล้วหลีกเล้นกันทีเลยเห็นไหมหลบหน้าเลยอย่างเนี้ยเนี่ยในบรรดาห้าร้อยอ์มีอยู่ท่านูนหนึ่งที่มาเดินชฉยอนนี้เป็นอย่างนี้เข้าใจอย่าง้นเนี่ย ฉะนั้นทีนี้ถ้าสีสมาธิปัญญาถ้าศรัทธาเกิดขึ้นตอนนั้นเราเรียกระ ง, งับกลิ่นและงับกลิ่นไม่ให้กิเลสมันฟุง้งมันจะไม่มีกลิ่นฟุ้งออกมาฉั้นภริยะทั้งหลายท่านมองเห็นจะลุทะลวงมอนโอ้ท่านดูนี้เดินโชยกลิ่นไปชชยกลิ่นมาก็ลองดูที่มองคนไม่เห็นอริยสัจตาเมือลอยนั่งกุยยันเถี่ยงกันเป็นไปกับความโลภความโกรธความหลงกันเยอะแ ย, ยะหมดกลิ่นก็ออกฟุ้งฟองไปหมดมันเหมือนไง สัตว์ประเภทหนึ่งนะกินยิ่งแรงยิ่งดีสัตว์ <c oughs> ใช่ไหมนั่นแหละต้องไปที่อยู่มาดูที่พอยย่อไบยาสัตว์นี่กินแรงมากมีอยู่ครนะั้งหนึ่งเขาจัดมีเนยมางโูน้องไม่โรยท่าไหนเขาบอกว่าเขาจะไปดูสัตว์สวนสัตว์ัอะไรมาบอกอะไรแล้วเนี่ยไปดูบบ ย, ยสัตว์ แล้วก็มีพระเถระสั่งมาให้ละมาคุมแบบคผมเน้นหกสิบอไปเที่ยวสวนสัตว์เราคิดด้วยละมาจะขนาดไหนทำไมบาปมาส่งผลเราแบบ น, นี้นในใจนีนะ่นู่นไปถึงยังหวัดการนั่นนะเข้าไปในสวนสัตว์ต้องไปเสียเงินดูมาเนะนี่ยบริษัทพวกนี้ทั้ง ๆ, ๆที่ไปให้บาปส่งผลเลนะ่นมันก็ไปไปถึงโหดีออกดีใจเลย พอไปถึงป๊อปเขาก็เขาก็มีคนบรรยายโอ้โหบรรยายแตเรื่องดีๆงามๆทั้งนี้เป็นเหมก็เม็ไปมากันั่งกาหนดได้บ้างไม่ได้บ้างเลยไึกในใจพอถึงไปเสร็จป้อยจมาบรรยายก็ตกอ้ามาลบอก็มองหน้าเลียนนองหน้าทั้งเจ้าที่ทั้งหลายไปเสร็จก็เลยกวก็ ก็ไม่รู้จะแสดงความยินดียังไงดีท่านก็มาเก็บเงินบอกว่าก็ก็ขอบใจเงีที่มาเก็บสตังค์ที่ให้ให้อดมาและสมเนตทั้งหลายมาดูวิยศัตว์จริงๆอะมาไม่อยากมันดูลบมีคำสั่งในป้าาั๊บวะเพราะไม่เห็นแล้วมันก็รู้สึกว่าอู๋ภาวะที่เรายังไม่พ้นเนี่ยมันน่ากลัวมากขึ้นเขาอยู่กันอย่างเงี้ยอยู่กันในความลาบากถูกตักถูกขังเนี่ยเห็น ไ, ไหม ถูกกากถูกขังอะไต่างก็บอกนั้นเขาเป็นสัตว์ที่น่ากลัวนะเราก็ยังไม่พูนอย่างนี้ก็ไม่ทราบว่าท่านบุไดไปอยู่แล้วยินดีติดใจเพลิดเพลินกับมันก็ไม่รู้แล้วก็เชื่อเพราะเชื่อของตันหาไว้เรียบร้อยแล้วทำยังไงก่อนตายยังให้มีสัตว์แบบนี้เป็นอารมณ์ก่อนตายก็ได้ถ้ามีอารมณ์ก่อนตายแล้วยุ่งแล้วท่านยังร้ายก็บอกก็บอกอะไรดอะไรไม่ไปรู้เรื่องก็อะมารู้เรื่องของอะมาใจที่เป็นเงี้ยจริงอะมา อดีตอนาคตเนของท่านพระเทวพมทธะเทว่าไม่มีเนาะท่านประพระทธะเทวะเป็นผู้สงบแล้วปราศจากขนัญแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังเพื่อท่านหวังจะได้รูปขันธเวทนาสัญญาท่านอะไรวอนไหมถ้าท่านจะจากรูปเวทนาสัญญาสังขารญาณท่านเพ้อหารูปเวทนาสัญญาสังขารญาณในอนาคตนั้งเนี่ยก็เลยคนหมดหวังไม่มีหวังแล้ววางอาจฉรยในบุรุชนผู้ยังมีความบาดสดุ้ง เป็นพรขีนาสูตผู้มั่นคงขอท่านพระพรหมเทวาจงบริโภคบินบัตอันเลือดสำหรับบูชาพระพรหมของท่านท่านพรหมเทวาจึงเป็นผู้ที่เสนามานไปปราศจากมีกจิตสงบฝึกตนแล้วเที่ยวไปเหมือนกับช้างตัวประเริดนากเนะียนาคไม่หวั่นไหวแล้วเป็นพวกสุเอยเป็นผู้มีศีลดีมีจิตพ้นวิเศษแล้วขอท่านพรหมเทวาจงบริโภค บินตาปาตะนี่นะอันเป็นที่สําหรับบูชาพรมเอะดว่างั้นนะท่านจงเป็นผู้เลื่อมใสในพรมมะพรหมาเทวาเป็นผู้ไม่หวั่นไหวตั้งทักษิณาในท่านผู้เป็ น, นปทักษิณาเยี่ยมคนสิทำไมตั้งมาตั้งปิงงที่แล้วว่างั้นแล้วน้องเนี้ยนะแต่นิสโธท่านไม่ว่างั้นเลยทีนี้ตรงนี้นี่แหละที่เอาทําให้เข้าใจบอกว่าคือการที่บอกว่าท่านบินตาปาท่านเดินไปในลําดับแห่งตอกเพราะท่านเป็นประรหันต์ไง ขันทัศน์นดานของท่านนั้นเป็นอยู่ในบัทนี้แต่ว่าเบญจขันธ์เหล่านี้ท่านกําหนดรอบรู้ได้วท่านทำปริญญาไวเบ็ดเสร็จแล้วท่านตั้งอยู่ได้เหมือนต้นไม้ที่มีรากขาดแล้วเราต้นไม้รากขาดได้ยังลองไปดูในบทนั้นดีที่ตัณหาตัณหานี่เป็นรากของต้นไม้อยู่ในตัณหาวัดไปดูในธรรมบทในตัณหาวัด ใช่ไหมในตัณหาวักเนี่ยตัณหาวักตรงเนี้ยที่บอกว่ายาถาปิมมเรอนุปะเดเวดานิชินโนปิรูโคปุนเรวรุหาติเอวัมปีตัณหานุสยเย อ, อนุหะเต นิพพตะติดุกามิดังปุนาปุนังย s สาชาติงสติโสตมาณาปัสสาวะนาผู้สามหาวันทิทุทิทิสังกัปตาราคานิสิตาสวนติสัพพิโส